นพิธการพระเถระเพื่อนสหัสธรนมิกทุกท่านเขาโอกาสแสดงธรรมวันนี้เป็นวันที่จเจตสิทธยากมากเลยเพราะคนฟังเนี่ยหลากหลายเหลือเกินมีมีตั้งแต่พระผู้ใหญ่นะจนถึงเด็กตัวเล็กตัวน้อยในความเป็นจริงแล้วธรรมะเนี่ยไม่มีเด็กมีผู้ใหญ่อะไรหรอกธรรมะเป็นของกลางเป็นของโลกนะธรรมะจริงๆไม่ใช่ของพระคนเดียว จะเป็นของคนทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมะด้วยกันทั้งนั้นสมัยพุทธกาลเด็กเจ็ดขวบเป็นซาลาหันเยอะแยะไปนะบางองค์มีฤทธิ์มากด้วยซ้ำไปนะพวกเรายุคนี้นะตัวเล็กตัวน้อยนี่ก็คงสิบกว่าปีแล้วมั้งนะก็เรียกว่าโตพอรู้เรื่องธรรมะจริงๆไม่ใช่ของยาก ในพวกเราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้ยากเกินความเป็นจริงบางคนวาดภาพไปนะธรรมะเป็นของที่อยู่ห่างไกลแสนไกลต้องฝึกฝนอบรมนานนะหลายภพหลายชาติเลไเนะี่ไม่มีความหวังเลยว่าชีวิตนี้จะเข้าถึงธรรมะได้หรือคิดว่าธรรมะอยู่กับพระธรรมะอยู่ตามวัดธรรมะอยู่ห่างตัว ในความเป็นจริงแล้วธรรมะอยู่กับตัวเราทุกคนธรรมะไม่เคยหายไปจากตัวเราเลยเพียงแต่ว่าเรามองไม่เป็นมองไม่เห็นเองคล้ายๆทุกคนมีของดีมีของวิเศษอยู่ในตัวเองแต่หาไม่พบเราไปเที่ยวหาของดีของวิเศษตามที่อื่นเที่ยวไปหาที่อื่นแทนที่จะหาในตัวเองของดีของวิเศษจริงๆอยู่ในตัวเราทุกคนมีอยู่ทุกคนแล้ว เพีงแต่ใส่ใจที่จะค้นหามันนะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนะก็คือมันมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นรูปธปรรมนะกับส่วนที่เป็นนามธรรมเราเรียนรู้ลงมาในสิ่งที่เป็นรูปธรรมคืออย่างร่างกายของเรานี้นะร่างกายของเราก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งจนะิตใจของเราก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าเราเรียนรู้อยู่ในกายเรียนรู้อยู่ในใจวันหนึ่งเราจะเข้าใจธรรมะธนะรรมะของจริง ธรรมะไม่ได้อยู่ในตู้พระไตรปิฎกนะแตนะ่อยู่ในกายอยู่ในใจของเราเองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะค้นพบนะสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลทีแรกไปกราบท่านเมื่อวันที่หกกุมภากุมพาพนะันสองพันห้าร้อยี่สิบห้าไปกราบท่านครั้งแรกไปเรียนท่านบอกว่าหลวงปู่ครับผมอยากจะปฏิบัตินะ หลวงปู่ไม่สอนนะหลวงปู่นั่งเงียบๆอยู่เกือบชั่วโมงนั่งหลับตาเงียบๆหลวงพ่ อ, อยังนึกว่าหลวงปู่หลับไปแล้วเลยะที่แท้ท่านไม่ได้หลับหรอกท่านคงสอบประวัติเราอยู่พอท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านใจตนเอง งัานธรรมะจริงๆไม่ได้อยู่ที่อื่นธรรมะจริงๆอยู่ที่ที่ใจของเรานะถ้าพูดให้กว้างให้ครอบคลุมก็คือธรรมะอยู่ที่กายกับใจนี่เองถ้าเราเรียนลงมาในกายเรียนลงมาในใจของตัวเองมากๆวันหนึ่งเราจะเห็นธรรมะคนที่เห็นธรรมะแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มานะคือความสุขอันมหาศาลในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เด็กๆอาจจะยังไม่รู้จักนะเด็กก็วันหนึ่งสนุก พ่อแม่ดูแลไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากยิ่งโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะภาระมากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้ในชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยปัญหานะเต็มไปด้วยความทุกข์มากมายเหลือเกินแต่และคนดิ้นรนที่จะหาทางพ้นทุกข์แต่ดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่พ้นนะลองถามผู้ใหญ่ดูถามพ่อถามแม่เราดูนะว่าชีวิตมีความสุขมากแค่ไหนถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วนะ ความทุกข์ม oui, ันจะตกหายไปในใจเราเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ความทุกข์จะเหลือเฉพาะในร่างกายแต่ในจิตใจนั้นจะไม่มีความทุกข์เลยจะมีความสุขกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขนตื่นอยู่ก็มีความสุขหลับอยู่ก็มีความสุขมีความสุขอยู่ทั้งวันมีความสุขอยู่ทั้งคืนเป็นความสุขที่ไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาจากภายนอกมันเป็นความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองทุกคนมีโอกาส ที่จะเข้าถึงความเต็มอิ่มในตัวเองได้แต่คนทั้งหลายเนี่ยมันไม่เต็มมันไม่อิ่มเพราะว่าอะไรเพราะใจของแต่ละคนเนี่ยหิว อ, อยู่ตลอดเวลาใจของเราหิวตลอดเวลาเวลาใจเรามีความอยากอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งนอนอยากได้สิ่งนี้อยากได้ความสุขอยากจะหนีจากความทุกข์ ทุกครั้งที่ใจเรามีความอยากเกิดขึ้นใจจะดิ้นรนนะใจจะหิวนะดิ้นรนมันจะมีความทุรนทุรายมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะถ้าเมื่อไรใจของเราเต็มอิ่มขึ้นมาได้ใจจะไม่ทุกข์แล้วนะใจจะไม่ดิ้นรนนี่พวกเราต้องมาฝึกใจของเราหิวหิวอารมณ์นะอยากเห็นรูปสวยๆอยากฟังเสียงเพราะๆ อยากได้กลิ่นหอมๆ อ, อยากได้สัมผัสที่ดีอยากได้รสที่อร่อยอยากคิดอยากนึกในเรื่องที่สนุกสนานนะมีแต่ความสุขล้วนๆใจมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเราห้ามใจไม่ได้จิตนะใจนะี้ของแต่ละคนนี่เป็นธรรมชาติที่ห้ามไม่ได้นะเป็นอนัตตาคาว่าอนัตตาคือไม่อยู่ในอานาจบังคับห้ามไม่ได้แต่เราให้การศึกษาให้การอบรมกับมันได้ เราพามันดูของจริงของจริงอยู่ที่กายของจริงอยู่ที่ใจนี้ให้มันเรียนรู้อยู่ในกายในใจของตัวเองนะงั้นอย่างที่พวกเรามาเข้าค่ายเรียนรู้กายใจอันนี้ก็ถ้าแปลออกไปอีกทีหนึ่งก็คือเข้าค่ายเรียนรู้ธรรมะในตัวเราเองนะเพราะว่ากายนี้แหละแสดงธรรมะให้เราดูจิตใจนี้แหละแสดงธรรมะให้เราดูงั้นการที่เราเข้าค่ายเรียนรู้กายใจนะสิ่งที่ได้มาถ้าเราเรียนรู้สําเร็จเนี่ย ต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเราจะมีเฉพาะความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นร่างกายนี้จะต้องหิวข้าวต้องกระหายน้ำนะต้องขับถ่ายเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาต้องพักผ่อนนะไม่สบายนะก็ต้องไปหามหมออะไรเนี้ยถ้าอายุมากขึ้นนะความแก่ความเจ็บไข้ความตายนะสิ่งนี้รออยู่ข้างหน้าทั้งนั้นเลย ร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ห้ามไม่ได้หรอกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพ้นจากมันได้ความทุกข์ทางใจเกิดจากใจมันหิวนะทําไมใจมันหิวมันไม่เห็นความจริงของชีวิตมันอยากได้อะไรอยากได้ความสุขนานาชนิดนะอยากได้ชื่อเสียงอยากได้ผลประโยชน์ะอยากได้คํายกย่องสรรเสริญนะ เนี่ยอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้และสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะไม่มีผลประโยชน์ถาวรไม่มีนะส่วนใหญ่ได้มาแล้วก็อยู่ชั่วคราวคนอื่นเขาก็ไปนะมีคนชมก็มีคนด่านะมีชื่อเสียงเกียรติยศวันหนึ่งก็หมดอย่างเป็นอธิการเป็นรองอธิการนะวันหนึ่งก็ไม่ได้เป็นมันสวมบัติปลัดกันชม ่ของเหล่านี้เป็นของที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตเราจะรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของที่ไม่แน่นอนเปลี e ่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไปหวังความแน่นอนในของที่ไม่แน่นอนนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าเมื่อไรเราเข้าใจความจริงของชีวิตนะว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความทุกข์ทางใจจะค่อยๆหายไปหายเป็นลาดับลาดับไป เราจะรู้สึกนะวิธีที่เราจะเห็นความจริงของชีวิตได้เนี่ยเราคอยมารู้สึกอยู่ที่กายที่ใจของตัวเองดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจตัวเองเราไม่ต้องไปดูของคนอื่นหรอกเราดูของตัวเองงั้นธรรมะเราไม่ต้องไปเรียนออกภายนอกนะเราเรียนเข้ามาในตัวเองนี่เองคน้นคว้าพิจารณาอยู่ในตัวเองขั้นแรกสุดเลยของการจะปฏิบัติธรรมนะพวกเราต้องรักษาศีลไว้ก่อนศีลจาเป็นมาก ถ้าคนไม่มีศีลจิตจะไม่สงบคนที่มีศีลนะจิตจะสงบง่ายแล้วคนที่จิตไม่สงบเนี่ยจะไม่สามารถเรียนรู้กายใจได้จริงจิตมันฟุง้งซ่านมันจะมาดูกายดูใจของจริงมันดูไม่ได้จริงหรอกนะฉะนั้นจิตต้องสงบจิตต้องตั้งมั่นถึงจะไปเรียนรู้กายใจได้จริงเรามาหัดเรียนรู้ตัวเองนะเรียนรู้แต่ขั้นแรกนะพยายามรักษาศีลไว้ก่อนคนที่รักษาศีลได้ใจจะสงบ คนที่ไม่มีศีลใจจะฟุง้งซ่านอย่างเราคิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะทำร้ายคนอื่นเนี่ยจิตใจไม่มีทางสงบเลยคิดจะขโมยของเพื่อนอยากขโมยของเพื่อนอยากขโมยของโรงเรียนจิตใจไม่สงบเลยคิดจะแย่งแฟนคนอื่นจิตใจไม่สงบเลยคิดจะโกหกหลอกลวงคนอื่นเจิตใจจะไม่สงบเลยเพราะงั้นเรารักษาศีลไว้แล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือความสงบใจ นะอย่างน้อยเราได้ความสงบจิตใจแต่ยังได้อย่างอื่นอีกนะรักษาศีลแล้วไม่จนหรอกนะคนไม่มีศีลมีธรรมนะมันจนง่ายนะหมันจนง่ายนี่เราพยายามรักษาศีลฝึกใจของเรารู้จักศีลห้าไหมเด็กๆรู้จักไหมรู้จักนะผู้ใหญ่รู้จักไหมเด็กๆรู้จักนะผู้ใหญ่ก็ควรจะรู้จักใช่ไหมเพราะเด็กยังรู้จักเลย งั้นขั้นแรกพวกเราต้องตั้งใจนะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยตั้งใจเราจะรักษาศีลนะก่อนกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจจะรักษาศีลก่อนจะกินข้าวเย็นก็รักษาศีลก่อนจะนอนรักษาศีลอีกตั้งใจไว้ไม่จําเป็นต้องไปขอที่พระแต่ตั้งใจของตัวเองไว้ทุกวันทุกวันวันละหลายๆครั้งนะการที่เราคอยคิดถึงว่าเราจะตั้งใจรักษาศีลเนี่ยทุกครั้งที่เราคิดอยู่นะใจได้เป็นบุญล้ เวลาเราคิดถึงว่าเรามีศีลมีธรรมเนี่ยใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมานะเมื่อเรารักษาศีลแล้วใจเรามีความสุขมีความสงบนะต่อไปเรามาฝึ ก, กจิตใจให้มันสงบยิ่งขึ้นใจของเราแต่ละคนเนี่ยจะดิ้นรนตลอดเวลาแสแสายเดี๋ยววิ่งไปที่ตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปดูวิ่งไปฟังนะวิ่งไปคิดใจเราวิ่งพลัานพลั้นตลอดเวลามันไม่สามารถจะมารู้อยู่ที่กายที่ใจตัวเองได้เพราะมันวิ่งไปที่อื่น มันวิ่งไปดูดูคนอื่นวิ่งไปฟังฟังคนอื่นนะวิ่งไปคิดก็ชอบคิดเรื่องคนอื่นหรือถ้าคิดเรื่องตัวเองก็ชอบคิดเรื่องตัวเองในอดีตคิดเรื่องตัวเองในอนาคตนะมันลืมกายลืมใจที่ปรารกฏอยู่ในปัจจุบันนะแล้วเราต้องพยายามให้จิตใจมันอยู่ในปัจจุบันพยายามรู้สึกตัวนะอย่าให้ใจมันเลื่อนลอยหนีไป ต, ตลอดเวลาคนในโลกนี้ใจลอยทั้งนั้น instead. แหละงั้นเราต้องมาฝึกใจของเรานะวิธีฝึกใจก็คือหัดสังเกตที่ใจ เวลาเราจะหักเนี่ยเบื้องต้นทุกคนควรจะหาอารมณ์กรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ของใจใจก็ต้องมีบ้านใจเหมือนคนนะใจเหมือนเด็กซุกซนเด็กหนีออกจากบ้านไปเที่ยวเด็กไม่มีบ้านร่อนเร่ไปเรื่อยๆนะเด็กไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นี่เราต้องมาฝึกให้ใจเรามีบ้านอยู่อาจจะให้ใจเราอยู่กับคำว่าพุโทโธเราท่องคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่ในใจเรื่อยๆ หรือคนไหนไม่ชอบคำว่าพุโ Bem, ทโธจะท่องคําอื่นก็ได้จะสัมมาระหังจะนัา ม, มาะพาธาจะอะไรก็ได้ทั้งสิ้นหรืมีค่าเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยคนไหนไม่ชอบบริกรรมจะมารู้ลมหายใจก็ได้หายใจออกคอยรู้สึกตัวหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวนะพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆไม่ใช่หายใจออกก็ใจลอยหายใจเข้าก็ใจลอยพวกเรารู้จักคําว่าใจลอยไหมนะถามผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่รู้จักใจลอยไหมนะคนไหนไม่รู้จักยกมือหน่อยนะ นี่หลวงพ่อถามว่าใครไม่รู้จักให้ยกมือเพื่อจะได้ไม่มีใครยกสักคนเลยนะเป็นธรรมเนียมของเรานะเราไม่ยกมือหรอกนะเวลาเราใจลอยนะก็ ค, คือขาดสตินั่นเองใจลอยนะใจมันจะฟุ้งไปในอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ตลอดเวลาก็คือขาดสมาธินะงั้นเรามาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทธโธคนไหนถนัดดูท้องของยุบก็ดูท้องของยุบไป ใครถนัดเดินจงกรมก็เดินจงกรมรู้อิริยาบถสี่ก็รู้อิริยาบถสี่อะไรก็ได้นะไม่มีดีหรือเลวแตกต่างกันเมื่อต้นหากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะถ้าเราไปรู้อารมณ์กรรมฐานอันนี้แล้วสติเกิดบ่อยรู้สึกตัวบ่อยไม่หลงนานกรรมฐานนั้นนั้นเหมาะกับพวกเราแล้วนะงั้นเราค่อยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะใครถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปใครถนัดหายใจก็หายใจใครถนัดดูท้องผองยุ ก, ก็ดูท้องของยุกไป ใครถนัดเดินจงกรมก็เดินนะใครถนัดนั่งสมาธิก็นั่งอะไรก็ได้ทุกอย่างมีค่าเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยนี่ทํำยังไงมีวิธีการนะเช่นเราพุโทโธพุโทโธนะเราท่องพุโทโธในใจพุโทโธพุโทโธแล้วเราก็รู้ทันใจของตัวเองถ้าพุโทโธแล้วจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นนะจิตใจล่องลอยไปมันแอบไปคิดเรื่องอื่นแนละ้วเราก็รู้ทันว่าตอนนี้ใจมันฟุ้งซ่านไปแล้ว แล้วเราก็มาพุโทโธต่ออีกพุโทโธพุธโทโธจิตหนี้ไปอีกแล้วนะเราก็มารู้ทันอีกบางคนไม่ชอบพุโทโธมันสั้นไปจะสวดมนก็ได้นะจะสวดนโมตัตตสสะภะคะวะโตอรหะตสัมมาสัมพุธทธัสสะหรือจะสวดชินบัญชรสวดอะไรก็ได้สวดมนแล้วก็รู้ทันใจตัวเองนะคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆเช่นเราสวดไปอะละหังสัมมายังไม่ทันจะสัมพุโทโธเลยหนีไปคิดเรื่องอื่นแนละ้วรู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่น หัดรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ขาดสมาธิจิตที่มันหลงไปอยู่ในโลกของความคิด ม, Podcast, มันร่อนเร่ไปในความคิดตลอดเวลานะงั้นเราภาวนาเข้านะหายใจไปก็คอยรู้ทันจิตเช่นหายใจออกหายใจเข้าไปจิตหนีไป imeters, คิดรู้ทันหายใจไปอีกจิตหนีไปคิดอีกรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆต่อไปเนี่ยมันจะเคยชินที่จะรู้ทัน พอมันหนีไปคิดปั๊บนะสติจะเกิดเองจะรู้ทันขึ้นมาเลยว่าตอนเนี้หลงไปคิดแล้วทันทีที่รู้ทันว่าหลงไปคิดแล้วจิตจะมีสมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะฉะั้นการที่เราเรียนรู้จิตเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือสมาธิฉะนั้นบทเรียนอันนี้กลับเรียนกับพระนะบทเรียนที่ทําให้เราได้สมาธิเนี่ยท่านถึงเรียกว่าจิตตะศิขาอาธิจิตตะศิขาเริ่มจากอาธิศีลัสศิขาอธิจิตตะศิขาอธิปัญญาศิกขา มีศีลไว้แล้วก็มาฝึกจิตวิธีฝึกจิตไม่ใช่ฝึกบังคับจิตให้นิ่งแต่ฝึกรู้ทันจิตจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปไหนส่วนมากจิตไหลไปคิดงั้นถ้าเรารู้ทันจิตนีไปคิดปุบเรารู้ทันนะจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดโลกของความคิดนั่นแหละปิดบังโลกของความจริงเอาไว้ ที่เรามองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นธรรมะในตัวของเราเองก็เพราะเราไม่เห็นของจริงเรามัวแต่เป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าเมื네่อไรเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะอยู่ในโลกของความจริงเราจะสามารถเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจได้นะเพราะเราต้องพยายามรู้สึกตัวขึ้นมาจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันรู้อย่างนี้บ่อยๆนะโดยมีเครื่องอยู่ของจิตเป็นตัวล่อ นะเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ใช่ว่าพุทโธแล้วห้ามจิตหนีไปคิดไม่ห้ามเราจะไม่ห้ามจิตนะถ้าห้ามแล้วจะเก็บกดทันทีเลยเราจะรู้ทันหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็รู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือจิตหนีไปเพ่งลมหายใจเวลาที่จิตจะไปเพ่งลมหายใจเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจจิตหลงออกไปเหมือนกันหลงปูดุลเรียกว่าจิตออกนอกเหมือนกันกระทั่งจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจของตัวเอง จิตก็ออกนอกแล้วคือจิตมันเคลื่อนไปจากฐานของความรู้สึกตัวเราจะดูท้องผ่องยุคก็ได้นะเหมือนกันทั้งหมดเลยกรรมาฐานดูท้องผ่องยุคไปจิตหนีไปคิดรารู้ทันจิตหนีไปคิด ร, รู้ทันนะหรือจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตมันไปที่ไหนรู้ทันมันที่นั่นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตไหลไปคิดหรือจิตไหลไปเพ่งเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งมือเพ่งลมหายใจ จิตไหลไปเพ่งอะไรก็รู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตไหลไปคิดก็รู้ว่าไหลไปคิดการที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะั้นต่อไปพอจิตมันเคลื่อนนิดเดียวนะเราจะเห็นนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมานะเราจะได้สมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิที่เป็นความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวรู้สึกตัวขึ้นมาได้พอจิตใจเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วเนี่ยตรงนี้แหละคือต้นทางของการเจริญปัญญาในทางพระพุทธศาสนานะ พระพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่เรื่องของการทำทานไม่ได้มีแค่เรื่องของการรักษาศีลไม่ใช่มีแค่เรื่องของการทำสมาธิให้จิตสงบสิ่งเหล่านั้นมีมาก่อนพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่ามีคุณค่าท่านก็รับเอามาใช้นะรับเอามาสอนต่อแต่ท่านต่อยอดขึ้นไปสู่การเจริญปัญญายอดของการเจริญปัญญานี้ไม่มีในาศาสนาอื่นไม่มีในคําสอนที่อื่น มีแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพวกเรามีบุญมีวาสนานะเราเรียนเราได้เกิดมาเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะที่สอนให้เจริญปัญญาธรรมะอื่นๆส่วนใหญ่จะสอนให้มีศรัท ธ, ธาในขณะที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก้าวมันถึงขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นก็คือการได้เห็นความจริงของชีวิตนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คือรูปนามกายใจของเรานี้เอง การเจริญปัญญาก็คือการได้เห็นความจริงของร่างกายการได้เห็นความจริงของจิตใจนะต้องเห็นความจริงไม่ใช่คิดคิดเอาเะนั้นวิธีเจริญปัญญาไม่ใช่คิดเรื่องกายไม่ใช่คิดเรื่องจิตใจนะมันต้องเลยขั้นของการคิดไปครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนไว้บอกว่าสมาธินะสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจ ถ้ายัางตั้งใจยังจงใจจะให้สงบจิตจะไม่สงบหรอกนะแต่ถ้าไม่ได้จงใจจะสงบนะจิตมันเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งที่มันมีความสุขอยู่มันสงบของมันเองท่านสอนต่อไปว่าวิปัสสนาคือการเจริญปัญญานะั้นะเริ่มต้นเมื่อหมดความคิดงั้นการที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้นี้นะว่าเรามาหัดรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันมันจะทําให้เราหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วก็มาสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ เพราะฉะนั้นการที่รู้สึกตัวหลุดออกจากโลกของความคิดนั่นแหละเป็นต้นทางของการเจริญปัญญามีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนสอนดีนะหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัตินะเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคนทั้งหลายนี่คิดทั้งวันคิดแล้วก็เพลินอยู่ในโลกของความคิดไม่เคยรู้ว่ากําลังคิดอยู่เราลองมาปรับ จิตใจของเรานิดเดียวต่อไปนี้เราคอยสังเกตจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตนี้ไปคิดเรารู้นะอาจจะมีพุโทโธมีลมหายใจมีท้องฟองยุบมีการขยับมือทําจังหวะอะไรนี้เป็นเครื่องช่วยก็ได้นะถ้าอินทรีย์เรายังอ่อนนะพลังจิตพลังใจเรายังไม่เข้มแข็งพอเราก็มีเครื่องช่วยอยู่กับพุโทโธพุโทโธจิตนี้ไปคิดเรารู้พอเรารู้ทันเนี่ยจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาสู่โลกของความรู้สึกตัว คนในโลกไม่มีคนตื่นนะศาสนาพุทธนี่แหละคาว่าพุท ธ, ธะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมะงั้นศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของคนตื่นไม่ใช่ศาสนาของคนหลับคนฝันคนมัวเมาคนงมงายนะเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะั้นเวลาเราหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยร่างกายของเราตื่นแต่จิตของเราหลับ จิตที่หลงไปคิดก็คือจิตที่ฝันทั้งๆที่ลืมตานั่นเองเราอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลางั้นเราต้องปลุกตัวเองให้ตื่นออกมาจากโลกของความฝันให้ได้ด้วยการรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตที่หลงไปคิดก็คือจิตที่ฝันทั้งๆที่ตื่นนั่นแหละงั้นต่อไปนี้ค่อยฝึกตัวเองบ่อยๆจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้ให้มากนะจิตจะตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็มาถึงขั้นของการเจริญปัญญา การเจริญปัญญาคืออะไรการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจคือการเรียนรู้หน้าที่ของชาวพุทธจริงๆคือหน้าที่เรียนหน้าที่เรียนงั้นมาเทศในสถาบันการศึกษานี่ก็เหมาะแล้วเพราะหน้าที่ของชาวพุทธคือการเรียนเราต้องมาเรียนความจริงของกายของใจให้ได้เราจะสามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัว พอรู้สึกตัวแล้วเราคอยทำหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นเองดูว่าจริงๆนั้นกายเป็นอย่างไรจริงๆนั้นจิตใจเป็นอย่างไรดูของจริงนี่พวกเราส่วนใหญ่ที่ภาวนานะบางคนภาวนาสิปี20ปี30ปีไม่ประสบความสาเร็จเพราะแทนที่เราจะรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจเนี่ยเราไม่ยอมรู้ความจริงเราพยายามดัดแปลงกายดัดแปลงใจเนะช่นเราเคยหายใจสบายๆหายใจมาตั้งแต่เกิด หายใจมาสบายๆแทนที่เราจะเห็นร่างกายกําลังหายใจอยู่แค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็เห็นว่าตัวที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีลมไหลเข้าไปมีลมไหลออกมาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแทนที่เราจะเห็นอย่างนี้เราก็ไปรู้สึกว่าเราหายใจอยู่นะเวลาเดินแทนที่เราจะรู้สึกว่าร่างกายมันเดินเราก็ไปรู้สึกว่าตัวเราเดิน นี่เราจะมาปรับความรู้สึกใหม่นะเราจะตื่นหลุดออกมาจากโลกของความคิดมันจะพบว่าไม่มีตัวเราเดินไม่มีตัวเรานั่งมันจะมีแต่ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าจิตใจนะั้นมันจะถอนตัวนะออกมาเป็นคนดูจิตใจจะถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วก็รู้สภาวะของกายรู้สภาวะของใจอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เข้าไปดัดแปลงมัน พวกเราพอคิดถึงการภาวนาที่ไรเราจะดัดแปลงกายดัดแปลงใจทุกครั้งไปอย่างทันทีที่เราคิดถึงการนั่งสมาธิเราก็ต้องเริ่มวางฟอร์มต้องนั่งอย่างนี้นะนั่งท่าอื่นไม่ได้แล้วก็เดีย๋ยวเฉียงกันด้วยนะจะเอามือไว้อย่างนี้หรือจะอย่างนี้หรือจะอย่างนี้เสียงกันไปเฉียงกันมานะบางคนก็ทํามืออย่างนี้กรรมฐานจริงๆไม่ได้อยู่ที่ท่าทางนะกรรมฐานจริงๆไม่ได้อยู่ที่ท่าทางใครถนัดท่าทางอะไรก็ใช้อย่างนั้นแหละนะ พยายามรู้สึกตัวนะพยายามรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆคอยรู้สึกอยู่ในกายนะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะพอเรานั่งไปสักพักหนึ่งมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเราก็เห็นอีกร่างกายเมื่อกี้ไม่ได้ปวดได้เมื่อยนะความปวดความเมื่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ร่างกายเข้ามาทีหลังเพราะฉะนั้นความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายหรอก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามาอยู่ในรน่างกายนะเราหัดดูไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นเลยเบื้องต้นเราเห็นกายกับใจแยกออกจากกันร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายมันยืนอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายมันนอนอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูพอหัดรู้หัดดูไปสักพักหนึ่งนะความปวดความเมื่อยมันจะแทรกเข้ามาในร่างกายอย่างนั่งอยู่กับเนี้ยนั่งเราเดี๋ยวก็เมื่อย เราแทนที่จะเมื่อยเราก็ขยับไปขยับมาเรายัางไม่ทันจะรู้เนื้อรู้ตัวเราก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถไปแล้วเราเลยไม่เห็นต่อไปนี้เวลานั่งแล้วเมื่อยอย่าเพิ่งขยับนะนั่งดูลงไปสัหน่อยหนึ่งล้วให้เห็นเลยความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายนะดูอย่างนี้นะต่อไปเราก็จะเริ่มแยกได้ว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยก็ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนั้นอยู่อีกส่วนหนึ่ง นี่พอมันเมื่อยมากๆจิตชักกระสับกรนะสายใช่ไหมร่างกายมันความเมื่อยอยู่ที่ร่างกายแต่ความกระสับกระสายมันมาอยู่ที่จิตใจแล้วก็หัดดูลงไปอีกเดิมจิตใจไม่ได้กระสับกระสายความกระสับกระสายมาเกิดขึ้นทีหลังอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถอยากจะขยับเนื้อขยับตัวนะแก้เมื่อยความอยากมาเกิดขึ้นที่ใจเนี่ให้เรารู้ทันลงไปเราจะเห็นอีกความอยากก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาสู่ใจความอยากไม่ใช่จิตใจของเรา การหัดอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ยต่อไปเราจะสามารถแยกขันออกเป็นส่วนๆได้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเป็นกองกองคำว่ากองคําว่าส่วนในภาษาบาลีเรียกว่าขันนะบอกมนุษย์มีขันห้าจริงๆก็คือสามารถแยกตัวเองออกเป็น5้าส่วนได้ส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ส่วนของความจําได้ความหมายรู้ส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วแล้วก็ส่วนของความรับรู้คือส่วนของจิตใจ เนะนี่ยขั้นของการเดินปัญญาเนี่ยการเจริญปัญญานะจะหนีการแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้จะไม่มีการเจริญปัญญาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้นะร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิตต้องหัดวิธีหัดก็อย่างที่บอกนะหัดหายใจไปก็นั่งดูไปร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนใจเป็นคนดู นะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็เห็นเลยความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตใจปวดเมื่อยมากๆนะจิตใจทุรนทุรายขึ้นมาความทุรนทุรายเกิดที่จิตใจแต่ไม่ใช่จิตใจเพราะเราต้องค่อยๆฝึกค่อยๆหัดฟังดูเหมือนยากแต่แท้จริงไม่ยากถ้ายากจริงเด็กเจ็ดขวบสมัยพุทธกาลคงไม่บรรลุพระอรหันต์นะมันไม่ได้ยากเข้าที่คิดหรอกแต่มันยากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการแยกธาตุแยกขันธ์ ถ้าไม่มีการแยกธาตแยกขันธ์จะไม่มีการเจริญปัญญาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นะเราต้องหัดแยกให้ได้นะกายส่วนกายจิตส่วนจิตแยกรูปแยกนามให้ได้เพราะปัญญาเบื้องต้นเลยก่อนจะถึงขั้นวิปัสสนาด้วยซ้าไปปัญญาแรกเริ่มเลยนะชื่อนามรูปปริชเฉทญาณหัดแยกรูปแยกนามออกจากกันให้ได้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆอย่างนักเรียนทั้งหลายอาจารย์พาให้มาเรียนเนี่ย นะมาเรียนรู้กายใจเห็นไหมกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งคน ล, ละส่วนกันนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่งเด็กๆรู้สึกไหมร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นอีกส่วนหนึ่งคนละอันกันร่างกายมันเดินร่างกายมันวิ่งร่างกายมันกินขนมนะใจมันเป็นคนรู้นี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะมันจะแยกกายกับใจจะแยกจากกาันฟังแล้วเหมือนยากแท้จริงไม่ยากนะ แต่ถ้าเราทําแต่สมาธิเฉยๆทําแต่ความสงบเฉยๆไม่หัดแยกกายแยกใจแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็เราเดินปัญญาไม่ได้จริงหลวงพ่อหัดภาวนาตั้งแต่เจ็ดขวบพวกเรากี่ขวบแล้วอืกี่ขวบสิบขวบนี่ช้ากว่าหลวงพ่ออีกหลวงพ่อหัดตั้งแต่เจ็ดขวบมีใครเจ็ดขวบบ้างมีไหมในกลุ่มนี้พวกนี้โตกว่าหลวงพ่อสมัยหัดอีกนะหลวงพ่อหัดตั้งแต่เจ็ดขวบหัดจากท่านพอดีวัดโศกคารามนะ ท่าสอนให้หายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองเนี่สอนอย่างนี้กลับมาบ้านนะหายใจทุกวันหรือไม่มีหยุดเลยนะหายใจแล้วก็นับไปเรื่อยๆนะทุกวันทุกวันนั่งหายใจใหายใจจนจิตใจสงบนะใจสว่างขึ้นมานะแต่เสร็จแล้วมันไปต่อไม่เป็นเดินปัญญาไม่เป็นไม่รู้จักวิธีแยกธาดแยกขันธ์นะเรียนกับท่านพ่อรีได้สองปีแล้วนะท่านก็สิ้นไปไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อ จนกระทั่งอายุยี่สิบเก้าแล้วถึงได้มีโอกาสไปเจอหลวงปู่ดูลที่สุรินทร์นะไปกราบท่านนะท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองเวลามาดูจิตตัวเองก็มีการแยกธาตุแยกขันธ์นะอย่างเราเวลาดูจิตใจตัวเองเราจะเห็นเลยปรเดี๋ยวก็สุขปรเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่นะหัดดูไปเรื่อยแล้วก็ค่อยคเห็นไปความโลภก็ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า แม้ความโลภกับจิตเนี่ยเป็นคนละส่วนกันความโกรธกับจิตก็เป็นคนละส่วนกันความหลงกับจิตก็คนละส่วนความฟุ้งซ่านความหดหู่คนละส่วนกันทั้งสิ้นความสุขก็คนละส่วนกับจิตใจนะจิตมันไปรู้ความสุขเข้าความทุกข์ก็คนละส่วนกับจิตใจนะจิตเป็นคนไปรู้ความทุกข์เข้าความเฉยเฉยก็คนละส่วนกับจิตใจจิตเป็นคนไปรู้มันเข้านี่หลวงพ่อหัดอย่างนี้นะมันคือการแยกขันนั่นเองนะ การที่เห็นความสุขกับจิตเป็นคนละส่วนนะความสุขเรียกว่าเวทนาขันเป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนั้นอยู่ในวิญญาณขันเป็นคนละขันกันคนละส่วนกันนะความโลบความโกรธความหลงนะเป็นความปรุงแต่งชื่อว่าสังขารขันนะก็คนละส่วนกับจิตหัดแยกอย่างนี้หัดแยกไปเรื่อยในที่สุดเราจะเห็นนะว่าเมื่อเราแยกออกไปจนถึงที่สุดนะมันจะเกิดสภาวะสภาวะธรรมเชิงเดี่ยวขึ้นมา นะความโกรธก็คือความโกรธไม่ไปปนกับร่างกายไม่ไปปนกับความสุขไม่ไปปนกับจิตเป็นคนละส่วนกันนะความโลภก็คนละส่วนกับร่างกายคนละส่วนกับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์คนละส่วนกับจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูพอเราแยกสภาวะธรรมออกมาจนเหลือตัวเดียวได้เป็นเชิงเดียวออกมาได้เนี่ยสภาวะธรรมอันนั้นแหละจะสอนความจริงเรามันจะแสดงให้เห็นเองว่ามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้นานมันบังคับไม่ได้นะเช่นความโกรธจะเกิดขึ้นในใจเราเนี่ย เราจะเห็นเลยความโรกรธเป็นสิ่งที่แปล ป, ปลอมเข้ามาสู่ใจความโรกรธไม่ใช่จิตใจนะเป็นส kind of นิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเวลาเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีจิตมันโรกรธขึ้นมานะจิตมันจะโรกรธห้ามมันก็ไม่ได้นี่มันเป็นอนัตตานะค่อยๆดูอย่างเนี้ยหัดแยกลงไปด้วยนะจะเห็นเลยตัวความโรกรธเองก็ไม่เที่ยงนะไม่มีใครโครกรธได้ตลอดเวลาความโรกรธเองทนอยู่ไม่ได้หรือกว่ามันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้นะ ความโกรธเองมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปบังคับมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตาตัวจิตเองก็สั่งมันไม่ได้สั่งมันว่าอยากก่าโกรธมันก็จะโกรธนะมันโกรธแล้วสั่งให้หายโกรธมันก็ไม่หายเนี่ยเราค่อยๆเรียนลงไปนะเราจะเห็นเลยสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวเมื่อเราแยกออกไปถึงที่สุดแล้วสภาวะแต่ละตัวนะั้นล้วนต่ตกอยู่ใต้คําว่าไตรลักษณ์ทั้งสิ้นตกอยู่ใต้คําว่าไม่แน่นอนนะความโกรธก็ไม่แน่นอนใช่ไหมบังคับไม่ได้ อย่างบางทีใจมันโกรธเพื่อนตัวเล็กตัวน้อยบางทีก็โกรธเพื่อนบางทีโกรธพ่อโกรธแม่เด็กๆนี่มีใครโกรธพ่อโกรธแม่บ้างเคยมีไหมเคยไหมโอ้เด็กนคอนสวรรค์นี่ไม่เคยโกรธพ่อโกรธแม่เลยแสดงว่าพ่อแม่โอมากเลยเอาใจมากเลยเลยไม่เคยโกรธเลยถ้าพ่อแม่ขัดใจก็โกรธนะอยากจะได้มือถือตัวเล็กตัวน้อยนะเดี๋ยวนี้ต้องมีมือถือนะถือไปถือมา ใจมันอยากขึ้นมาเราไม่เห็นนะใจมันอยากขึ้นมาเราไม่เห็นถ้าเห็นเราก็จะเห็นเลยความอยากก็อยู่ชั่วคราวใจมันโกรธเราไม่เห็นถ้าเห็นนะเราก็จะเห็นว่าความโกรธก็อยู่ชั่วคราวนะงั้นใจมันฟุ้งซ่านเราไม่เห็นถ้าเราเห็นเราก็จะเห็นว่าใจที่ฟุ้งซ่านก็อยู่ชั่วคราวนะัดดูไปสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลย อย่างเวลาพวกเราอยากกินขนมนะอย่าเพิ่งกินเราดูที่ใจก่อนอยากได้ของเล่นอยากได้โทรศัพท์มือถืออย่าเพิ่งซื้อนะดูที่ใจของเราก่อนเราคอยดูไปเรื่อยเราจะเห็นเลยความอยากเกิดขึ้นนะแล้วความอยากก็หายไปนะถ้าเราไปสนองความอยากนะอุตส่าห์อดขนมไปซื้อของเล่นมาพอได้มาประเดี๋ยวเดียวเราก็อยากอย่างอื่นอีกต้องอดขนมต่ออีกนะเพราะใจเราจะอยากตลอดเวลา งั้นถ้าใจเรามีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันนะใจเราโกรธเกิดขึ้นเราอย่าเพิ่งไปชกกับเพื่อนนะอย่าเพิ่งไปด่ากับเพื่อนให้เรารู้ทันใจที่โกรธซะก่อนเราจะเห็นเลยความโกรธมันมาแล้วมันก็ไปหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะหัดดูบ่อยๆผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันหัดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองนะหัดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆ จิตมันโกรธขึ้นมาก็รู้เห็นความโกรธผ่านเข้ามาเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านจิตเป็นคนอยู่ในบ้านจิตเป็นคนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวกับเราเราทําตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นความโลบความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีใจความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างเราทําตัวเป็นแค่คนดูเห็นมันผ่านมาแล้วผ่านไปเรื่อยๆนะฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ความจริงคำว่าจิตมีปัญญาขึ้นมาก็คือจิตมันยอมรับความจริงได้ ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเราจะเรียนจนกระทั่งเราเห็นตรงนี้นะเราไม่ใช่เรียนจนกระทั่งจิตสงบนะเรียนจนจิตสงบเป็นเรื่องของการทําสมาธิทําสมถะเราทําสมถะทําสมา ธ, ามาธิพอให้จิตมีเรี่ยวมีแรงให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเจริญปัญญามาแยกธาตุแยกขันมาดูกายดูใจทํางานนะมาดูไปเรื่อยในที่สุดเราจะเห็นเลย ร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวก็ต้องหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวก็ต้องหายใจออกนะร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะแต่ละอิริยาบถไม่เที่ยงอยู่ได้พักเดียวก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปนะกูศลอากูสลทั้งหลายความโลภความโกรธความลาหลงทั้งหลายมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปนะหัดดูอย่างนี้บ่อยๆนะกระทั่งความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ช่ววครา หัดดูไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งจิตใจมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวถ้าเมื่อไหร่พวกเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเราจะเข้าใจธรรมะในระดับที่เรียกว่าโสดาบันถ้าโสดาบันคือท่านผู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งใดผ่านเข้ามานะสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่คงทนถาวรตลอดเวลา เพราะฉะนั้นต่อไปความสุขเกิดขึ้นนะเราไม่หลงระเริงแล้วเราก็รู้ว่าความสุขอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเราก็รู้ว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวต่อไปใจเราจะไม่กับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงนะความสุขมาเราก็แค่รู้เออมันมีความสุขเดี๋ยวมันจะไปความทุกข์มานะเราก็ไม่หดหู่ไม่เศร้าหมองเราก็รู้ว่าไม่นานมันก็ไปทุกอย่างในชีวิตเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปวันนี้เราเจอคนที่เรารักวันข้างหน้าเราอาจจะไม่เจอคนนี้อีก นะวันนี้เราเจอคนที่เราเกลียดวันข้างหน้าอาจจะไม่เจออีกนะกระทั่งตัวเราเองเราก็อยู่ในโลกนี้ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งเราก็จากโลกนี้ไปนะเราเฝ้าดูนะจอทั่งเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าใจเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้นะใจจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงใจจะทุกข์น้อยลงไปเยอะเลยนะส่วนขั้นที่จะให้พ้นทุกข์เด็ดขาดนะต้องฝึกไปอีกนะคนละระดับกัน ขันแรกเนี่ยเราฝึกแค่ให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาฝึกแค่นี้ก่อนนะดูซิความโลภเกิดขึ้นมามันดับได้ไหมไม่ต้องไปยุ่งกับมันทําตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูความโกรธเกิดขึ้นดูซิมันดับได้จริงไหมมันดับได้ด้วยตัวของมันเองไหมนะไม่ต้องไปห้ามมันนะทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูแต่ตอนโกรธขึ้นมาไม่ไปทําร้ายคนอื่นเพราะเราต้องถือศีลไว้ก่อนตอนโลภขึ้นมาไม่ไปขโมยของคนอื่นเพราะเราต้องถือศีลไว้ก่อนนะ ถ้าเราคอยดูเราจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปสุดท้ายใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับไปจนได้นะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็ไม่หวั่นไหวสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญในการอยู่กับโลกนะเรียกว่าโลกธกรรมแปดประการมีผลประโยชน์ก็เสียผลประโยชน์ไดนะ้มีชื่อเสียงเกียรติยศก็เสียชื่อเสียงเกียรติยศได้มีคํายกย่องสรรเสริญก็มีนินทาได้ มีความสุขได้ก็มีความทุกข์ไดนะ้ในทางกลับกันนะมีความทุกข์ได้ก็มีความสุขได้ทั้งสุขทั้งทุกข์เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงทั้งคำยกย่องและคำสรรเสริญก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ย ง, ท, ง, ยยง cotton, ยมมทั้ ง, ทงผลประโยชน์ได้ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ก็ไม่คงที่นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดพอใจเราไม่หวัน่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราจะทุกข์น้อยกว่าคนอื่นนะเราจะทุกข์น้อยกว่าคนอื่นไปเยอะเลยคนอื่นสมมติว่าไฟ ร้องโ h o ร้องไห้จะเป็นจะตายนะขาดสติไม่รู้จะทํำยังไงดีนะคนที่เคยหัดภาวนาไฟไหม้บ้านก็คือไฟไหม้บ้านลําบากไหมลําบากนะแต่ลําบากกายนะลําบากกายใจไม่ลําบากเท่าไหร่หรอกใจมันรู้ความจริงว่าสมบัติมันสั่นกระชมนะสมบัติมันอยู่กับเราชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็วิบัติไปเป็นเรื่องธรรมดาหาเอาใหม่ยังมีเรื่องมีแรงอยู่หาเอาใหม่นะเนี่ยความทุกเกิดขึ้นมันก็ไม่ทุรนทุรายมากอกหักก็ไม่เป็นไร อกหักได้วันหลังมันก็หายอกหักนะมีความรักได้วันหนึ่งอาจจะสูญเสียความรักไปไทุกอย่างเนี่ยถ้าใจยอมรับความจริงยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้เราจะไม่กลัวหรอกที่จะอยู่ในโลกเพราะเรารู้ว่าโลกนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะ ก, ก็คือการเรียนรู้ความจริงของชีวิตความเรียนรู้ความจริงของโลกนั่นเองเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจแล้วจะทุกข์น้อยลงน้อยลงเป็นลําดับลําดับไปนะ พวกเราฝึกนะจําได้ไหมที่หลวงพ่อเทศให้ฟังบางคนว่าหลวงพ่อเทศหวัดมากเลยนะเทศหวัดฟังยากคือเทศเร้วเร็วมากนะพวกเราได้ซีดีเอาไปฟังนะมีบ้างไหมมีแจกบ้างไหมนะไปแจกกันนะคนไหนไม่มีไปขอไลฟ์กับเพื่อนนะบางที่บางแห่งเนี่ยสามร้านขายเทปนะมีการไปดาวน์โหลดซีดีหลวงพ่อนะไปปั๊มขายได้ด้วย เราก็ไม่ว่าหรอกนะอย่างน้อยก็เผยแพร่นะอย่างน้อยแต่ว่าเสียใจอยู่เรื่องเดียวทเทปเียงแผ่นหนึ่งเป็นร้อย้อยนะเทปหลวงพ่อประมว่นยี่สิบาทหนึ่งนะฟังแล้วแมมอมไอ้ไขหน้านะ <c oughs> พวกเราไปฟังนะฟังต่อจริงๆไม่ยากยากเพราะไม่เคยฟังเท่านั้นแหละการเรียนรู้ธรรมะคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองคือไกายกับใจ การเรียนรู้ตัวเองนะคือการเรียนรู้ว่าจริงๆร่างกายเป็นยังไงจริงๆริจิตใจเป็นยังไงจริงๆมันไม่เที่ยงนะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยพอเรารู้นะกระทั่งกายกับใจของเราอย่าไม่เที่ยงเลยโลกข้างนอกไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องธรรมดานะใจจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราจะทุกข์น้อยกว่าคนอื่นนะเราจะมีความสุขอยู่ในตัวเองได้นะหลวงพ่อเทศเท่านี้ก็แล้วกันนะเทศเยอะนักเดี๋ยวพวกเรางง ต้องสรุปไหมสรุปขั้นแรกรักษาศีล น, นะขั้นที่สองฝึกให้รู้ทันใจที่หลงไปคิดใจหลงไปคิดเรารู้ใจหลงไปคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้บ่อย ой, ๆถัดจากนั้นพอใจไม่หลงไปคิดแล้วใจรู้สึกตัวแล้วเนี่ยดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานได้ไหมจําได้ไหมขั้นที่หนึ่งรักษาศีลไว้ก่อนนะขั้นที่สองรู้ทันจิต ท, ที่หลงไปคิดจิตก็จะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาพอจิตรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วเนี่ย ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเราจะเห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะนี่เท่านี้เองหลักของการปฏิบัตินะถ้าจะว่าไปก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะเอาอย่างง่ายๆนะเดี๋ยวเรนหลวงพ่อกลับไปแล้วนะสงสัยเนี่ยแถวหน้านี้ถามได้นะแม่นแม่นหลายคนนะคุณหมอนัดจานซุปเคจานธีรยุทธ์เนี่ย อาจารย์สุรวัตรกุลสุสมเมธเลยผู้นี้นะพอจะถามกันได้นะผู้นี้เรียนมาจากหลวงพ่อทั้งนั้นแหละะอ้าวเชิญเด็กๆใครจะถามอะไรหลวงพอ่อนี่สิบห้าหรือห้าสิบเนาะอาจารย์เด็กคนไหนอยากคุย <c oughs> เด็กคนไหนอยากคุยกับหลวงพอ่อถูกบังคับไม่เอานะ <c oughs> นี่แหละอ่าถ <c oughs> ้าเเด็กๆคนไหนจะส่งกันบ้านหลวงพอ่ออเด็กยกใต้นีครับเดี๋ยวหลวงพ่อเด็ ก, ย ก, ยกไม่เอาเด<ต>ี๋ยวให้ผู้ใหญ่เลย <peach> อาเด็กๆ <S <S ยกป้ายนะครับยกป้ายคนไหนจะหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงป้าหลวงพ่อเลือกเองเอาชมพู่ชมพู่เอาลงก่อนนะที่เหลื อ, อลงก่อนเอาชมพู่ส่งกันบ้า น, นาการนมัสการหลวงพ่ อ, อืมก็หนูมาส่งกันบ้านหลวงพ่อสามสี่ครั้งแล้วค่ะก็ หนูก็ฝึกปฏิบัติตีขึ้นค่ะได้เรียนรู้เร็วขึ้นค่ะอืแล้วก็เดี๋ยวนี้บางครั้งก็ถูกกิเลสควบคุมไปค่ะแต่ก็รู้ทันค่ะแต่เวลาแต่เวลาเรียนบางครั้งจะเผลอบ่อยอ่ะค่ะอืจะรู้จะรู้บ้างบางครั้งค่ะ ก็ตั้งแต่ปัจจุบันแล้วก็อาทิตย์อย่างนี้หนูเปลี่ยนแปลงในด้านรุ่นก่อนไม่เคยรู้ค่ะว่าฟุ้งดี่ยงนี้ก็รู้มากขึ้นค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนเรียนดีขึ้นค่ะแล้วก็หนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูได้ฝึกปฏิบัติดีหรือเปล่าค่ะ หลวงพ่อฟังหนูยากยากฟังไม่ค่อยออกแต่หลวงพ่อตอบให้นะอืมะหนูภาวนาดีขึ้นเยอะเลยะใจหนูเริ่มตื่นขึ้นมาละรู้สึกไหมเรารู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นรู้ึกหนูรู้สึกไหมหนูร้ายกว่าที่หนูคิดไว้เห็นกิเลสไหมเกิดบ่อยไหมเดี่าวนี้ไม่ค่อยบ่อยอ่ะค่ะรู้ทันโอะมันเกิดบ่อยไงแต่เรารู้ทันเร็วเห็นใจไหม แต่เดิมเนี่ยกิเลสเกิดเราไม่เคยเห็นหรอกพาเรามาหาเรียนรู้กายใจพอกิเลสเกิดเราก็จะเห็นเร็วนะเห็นเร็วกิเลสก็ตัวเล็กๆก็ดับไปแล้วไม่ทันจะตัวโ ต, วตวนะดีนะที่หนูฝึกอยู่และใช้ได้อยู่โรงเรียนอะไรโรงเรียนบ้านเนื้อสาราค่ะแล้วแล้วก็หนูยากค่ะหลวงพ่อว่านหนูตื่นเรียงค่ะตื่นตื่น ผู้ใหญ่ระว่างเธอะโนตื่นสิทำไมจะไม่ตื่นน่ะนนสังเกตไหมว่าความคิดกับจิตใจเนี่ยคนละอันกันดวออกไหมค่ะเห็นไหมจิตมันคิดได้เองหนเห็นไหมว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยคนละส่วนกันส่วนนี้ดูออกไหมก็บางครั้งค่ะออนะมันคนละอันกันนะร่างกายกับจิตใจ ค, คนละอันกัน หนูเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับจิตใจคนละอันกันค่ะเหนูเห็นไหมว่าความโกรธกับจิตใจก็คนละอันกันเห็นค่ะแล้วหนูเห็นไหมว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปะ <ète. S 1> นะพูดตอบในซี่ข้างหลังเขาจะได้ยินหนูพยักหน้านะข้างหลังไม่ได้ยินเห็นไหมทุกอย่างมาแล้วก็ไปค่ะเนะเห็นบ่อยไหมบ่อยค่ะยิ่งบ่อยยิ่งดี การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนหนูกี่ขวบละ่ะหนูอายุสิบขวบค่ะโอ้สิบขวบนะยังสามารถแยกได้นะว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่งนะความปรุงดีปรุงชั่วอย่างความโลภความโกรธความหลง ก, ก็คนละส่วนกันหนูเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะใช้ได้นะดีโตขึ้นอย่าขี้เกียจละ่ะค่ะนะขอบคุณค่ะ เอาต่อไปใครจะคุยยกป้ายใครจะคุยกับหลวงพ่ออา้าภูมิภูมิภูมิยกก่อนกราบน้ัพสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาส่งกันบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกก่อนที่ผมจะไปเข้าค่ายเรียนรู้กายใจผมไม่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบ ทำการบ้านและชอบขี้เกียจและชอบโมโห ง, ง่ายเวลาเพื่อนทําอะไรผิดนิดหน่อยพอบางครั้งก็เผลอเดินไปต่อยเลยครับถึงเมื่อไร่นะไปต่อยฮะเดินไปต่อยเพื่อนเลยครับอ๋อแล้วเคยถูกเพื่อนต่อยไหมเคยครับสมน้ําหน้า <laughs> <laughs> ไปต่อยเขาหนิเขาก็ต่อยเอาสิอ๋อ เข้าใค่ายและรู้ประจัยเสร็จผมก็เริ่มรู้ว่าผมเริ่มว่าแต่ก่อนผมเป็นคนขี้เกียจ<ม>โมโหง่าย<ม>แล้วผมก็เริ่มปฏิบัติมาครับ<ม>ทำให้ผมเริ่มรู้สึกดีขึ้นและเพื่อนไม่ค่อยทะเลาะกับผมเลยครับผมอยากจะถามหลวงพ่อว่า ถ้าเกิดเราตื่นเต้นแล้วเราจะห้ามมันยังไงครับเด็กว่าไงนะหลวงพ่อฟังไม่เสถเสียงมันกล้องน่ะเด็กๆเขาถามว่าอะไร เ, เด็กๆถามว่าถ้าตื่นเต้นผมตื่นเต้นจะจะจะแก้ยังไงเจ้าค่ะอ๋อไม่แก้นะหลักของการภาวนามีสองส่วนนะส่วนหนึ่งเรียกสมถกรรมฐานนะเนี้ยฝึกจิตให้ดีฝึกจิตให้สงบ มันตื่นเต้นเราก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็สงบแต่ว่าถ้าเราจะเดินปัญญาเราจะเรียนรู้กายใจเนี่ยเราจะไม่บังคับมันแต่เราจะนั่งดูจิตที่ตื่นเต้นเราจะเห็นว่าจิตที่ตื่นเต้นเนี่ไม่คงที่เดี๋ยวก็ตื่นเต้นมากเดี๋ยวก็ตื่นเต้นน้อยอย่างตอนนี้ตื่นเต้นน้อยลงรู้สึกไหมนะ น, <rs. S 1> นั่งดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวความตื่นเต้นก็หายไปเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าจะต้องแก้อย่างไงมีแต่รู้อย่างที่มันเป็น รู้อย่างที่มันเป็นแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างกระทั่งความตื่นเต้นนะก็เป็นของชั่วคราวมองเห็นไหมว่ามันชั่วคราวเนี่ยความตื่นเต้นตอนเนี้น้อยลงแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับอืมดีไปหัดดูนะไม่ต้องแก้ดูอย่างที่มันเป็นแต่ว่าเราจะไม่ชกกับเพื่อนต้องไปชกกับเพื่อนผิดศีล น, นะครับแล้วตกลงขยันทำงานบ้านหรื อ, อยังขยันขึ้นครับพ่อแม่ชมบ้างไหมเคยครับเคยชมเนาะ ชมให้มากขึ้นหน่อยนะพ่อแม่อยู่ไหนอาตาไปตบไปคาวีอ่ายกยุป้าเลยนะครับยกยกุย ก, ยกรลรัง<ล>นะส่งไม่แปลกนะั้นคาวีนี่เป็นน้องหนวิชัยรู้จักไหมขอการมาสักการครับหลวงพ่ อ, อ, อผมเชยเด็กชายคาวีผมเชยชนมัธยมศึกษาปีที่สองครับโรงเรียนวัดศรีขุมพรออผมอยากส่งกับบ้านคือว่าเมื่อก่อนนี้ การดอนเบินชีวิตผมผมไอ้ก่อนที่จะได้เข้าเรียนรู้กายใจนะครับเมื่อก่อนนี้การดอนเบิร น, นชีวิตผมผมาเนินชีวิตแบบขาดสติมาโดยตลอดคือไม่รู้กายไม่รู้ใจของตัเองไม่รู้ว่าทณะ น, นี้กายผมกำลังทําอะไรใจกําลังคิดอะไรผ ม, มนะผมไม่เคยรู้เลยแล้วก็ผมคอยปล่อยใจให้ไปตามกิเลสตลอดปล่อยให้กิเลสครอบงาําแต่หลังจากที่ผมเรียนรู้กายใจแล้วการดอาเบินชีวิตผมดีขึ้นคือสามารถรู้กายรู้ใจของตัวเองครับ สามารถรู้ว่าขณะนี้กายผมรังําอะไรใจกำลังคิดอะไรอยู่ผมก็สามารถรู้ทันได้การเรียนผมก็ดีขึ้นแล้วก็ผมก็สามารถเวลาผมโกรธผมก็สามารถรู้ว่าขณะนี้ผมโกรธนะก็ความโกรธก็เบาลงไปแต่มผมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าผมควรที่จะทําเช่นไรดีครับเพราะว่าเวลาผมปฏิบัติแล้วรู้สึกเครียดจนเกินไปครับเครียดเพราะว่าเราพยายามบังคับตัวเองมากไปนะ การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้มุ่งว่าจะต้องดีจะต้องสุขจะต้องสงบมันดีรู้ว่าดีมันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีมันสุขก็รู้ว่าสุขมันทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์มันสงบก็รู้ว่าสงบมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟนะุ้ <S <S งซ่ hores, นาน น, น, นะเราจะไม่บังคับอย่างจิตเราฟุ้งซ่านอยู่เราไปบังคับให้สงบนะมันจะเครียดนะจิตกําลังโกรธอยู่บังคับให้หายโกรธมันก็จะเครียดมันจะแน่นๆนะเราจะไม่บังคับแต่เราจะรู้อย่างที่มันเป็น นะรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงเราจะเห็นจิตมันโกรธจิตมันโลภจิตมันหลงนะจะทั่งอยากปฏิบัติรู้ว่ามันอยากนะครับนะจะดูจิตใจของตัวเองเนี่ยเหมือนเราดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียครันะนะถ้าเราดูด้วยความเป็นกลางได้จริงมันจะไม่แน่นหรอกครับแต่ถ้าเราดูด้วยความโลภมันจะแน่นตื่นเต้นดูออกไหมดูครับเออตื่นเต้นให้รู้ทันบังคับตัวเองอยู่รู้ไหม รูครับเออนะรู้อย่างเนี้ยรู้ลงไปปัจจุบันนะอา่าต่อไปคนไหนคนไหนจะยกป้ายอ้าวน้ำกลับมาสการเจ้าค่ะหนูชื่อน้ำอายุ11ปีจากศูนย์เก่าหเจ้าค่ะเดิมหนูเป็นคนที่โมโหง่ายมากๆเจ้าค่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็แสดงโดยการว่าเพื่อนตีเพื่อนเจ้าค่ะ ตอนนั้นหนูก็พูดว่าสมน้ำหน้าต้องดนสะบ้ากแล้วก็สะใจที่เพื่อนเจ็บเจ้าค่ะเมื่อก่อนหนูอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถและพ่อหนูได้ย้ายมาอยู่ที่นี่หนูก็ได้ยินคําว่าเรียนรู้กายใจจากที่นี่เจ้าค่ะก็สนใจและเริ่มเรียนจนเริ่มมีสติที่จะควบคุมกิเลสได้นิดหน่อยเจ้าค่ะและหนูอยากถามหลวงพ่อว่าจะทํายังไงให้กิเลสหมดไปจากใจของหนูเจ้าคะ โอ้ถามดีนะคำถามของหนูถ้าจะแปลอีกอย่างคือทำอย่างไรหนูจะเป็นพระอระหรันต์นะอย่าพึงอย่าสั้งถึงขนาดให้มันหมดไปเลยนะแค่ว่าไม่ให้มันครอบงําจิตใจของเราได้ก็ดีนับหนาแล้วล่ะวิธีที่จะไม่ให้กิเลสครอบงําจิตใจของเราได้้ก็คือทุกครั้งที่กิเลสเกิดขึ้นนะเรารู้ทันไวๆถ้าเรารู้ไม่ทัน่ะกิเลสถึงจะครอบงําใจเราได้ถ้ารู้ทัน กิเลสจะไม่ครอบงําใจนะหนูฝึกตัวนี้ก่อนนะรู้ทันไหมเวลากิเลสเกิดนิดหน่อยค่ะเออเอาให้เยอะๆสินะต้องรู้ทันก่อนนะจนมันครอบงําไม่ได้ต่อไปมันถึงจะพ้นจากกิเลสตอบไม่ล่วงหน้าก็ได้นะอวิธีที่หนูจะพ้นจากกิเลสเนี่ยหนูต้องไม่ยึดถือในกายในใจของตัวเอง ถ้าอย่างยึดถือกายยึดถือใจอยู่นะกิเลสก็ยังทำงานขึ้นมาอีกอา้าวต่อไปบอล น, นี่ทางนี้ก็มีแต่ก่อนผมเป็นคนไม่รู้ว่าเรียนรู้กายใจเป็นอย่างไรพอพี่ชมพูสอนผมผมก็เป็นได้ไม่มากทอผมได้ไปเข้าค้ายที่ทำพาสวรรค์ ผมก็ได้เป็นมากขึ้นอืมและผมก็ได้เอามาปฏิบัติที่บ้านและที่โรงเรียนครับซนเนาะเป็นเด็กซนไหมโซนครับเนาะโง่เฮงให้ <c oughs> ต่อไปนี้เราคือเวลาโซนเวลาอะไรนะรค่อยรู้ทันนะ <c oughs> อย่ยงเราจะวิ่งจะเล่นจะอะไรเราเห็นร่างกายมันทํางานร่างกายมันวิ่งไปเล่นไปร่างกายมันปีนต้นไม้ร่างกายมันซุกสน จิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้ทันมันรู้บ่อยๆ่อยนะ ร, รู้ได้บ่อยไหมบ่อยเ อ, อ้ยิ่งบ่อยยิ่งดีบ่อยแล้วก็ไม่บังคับมันนะให้รู้ทันมันครั บ, รบต้องถือศีล น, นะอย่าไปชกกับเพื่อน <c oughs> อา้าวเหล็กเป็นไหนอา้าวครีมรีมอันีมฝากมาัสการเจ้าค่ะหนูชื่อน้องดีม อายุ10ปีจากศูนย์ก็ะหงเจ้าค่ะหนูเป็นคนที่ขี้โกรธเจ้าค่ะพ่อแม่ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยหนูก็โกรธเพื่อนยัวก็โกรธ mm hmm. น้องยัวพี่แก้งหนูก็โกรธ mm hmm. ก็สรุปว่าหนูเป็นคนที่ขี้โกรธเจ้าค่ะเวลาหนูโกรธใจหนูก็จะเป็นทุกข์อึดอาดเบือ่อ เกียรติอิดชาบางครั้งก็คว้างเข้าของทิ้งจนเสียหายแต่ตอนนี้หนูได้มาเรียนรู้กายใจทําให้หนูมีสติรู้ทันความโกรธได้มากขึ้นเวลาหนูโกรธน้อยน้อยมันก็จะค่อย ค, อยคอย่หายไปแต่เวลาหนูโกรธให่ใหญ่มันไม่ค่อยหายและหนูจะทําอย่างไรดีนะ <c oughs> เจ้าคะโกรธใหญ่ๆได้ก็เพราะว่าตอนโกรธน้อยๆไม่รู้ทันมัน แั้วเราหัดรู้ให้ไวๆนะมันกรวดเล็กๆขึ้นมารีบรู้ไวๆมันก็ไม่กรวดใหญ่หรอกถ้ากลวดใหญ่แล้วห้ามมันไม่ได้รีบดูตั้งแต่มันตัวเล็กๆก่อนกาขอบพระคุณแล้วค่ะอ้าวต่อไปกุ้งเด็กส่งกันบ้านนะสังเกตไหมมีแต่เด็กที่โมโหทั้งนั้นเลยการรำมรดการเจ้าค่ะ หนูชื่อน้องกุ้งอายุสิบปจากศูนย์วัดเกาะเจ้าค่ะเมื่อก่อ น, นะคะ่ะเวลาหนูคิดถึงเรื่องพ่อกับแม่แยกทางกันนะคะใจของหนูรู้สึกเป็นทุกข์และใจของหนูก็จมอยู่กับความเศร้าเจ้าค่ะพอหนูได้มาอยู่ชั้นป .4 หนูได้มีโอกาสเรียนรู้กายใจเจ้าค่ะจึงเป็นการฝึกให้หนูมีสติดูทันใจที่เผลอไปคิดและหนูก็รู้ทันเจ้าค่ะ แล้วหนูก็เห็นว่าความเผลอมันบังคับไม่ได้เพราะหนูไม่อยากให้มันเผลอมันก็เผลอเผลอเผลอเจ้าค่ะหนูต้องทำยังไงดีเจ้าค่ะเพราะหนูไม่อยากให้ความเผลอมันอยู่ในใจของหนูเจ้าค่ะโอ้ความเผลอเนี่ยนะเป็นกิเลสชื่อโมหะนะจะไม่ให้มีความเผลอก็ต้องเป็นพระอรหันต์อีกแหละหนูแค่ว่าอย่าเผลอนานนะอย่าเผลอนานต้องฝึก มีตฝึกนะหนูสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้นะสวดมนต์ไปแล้วก็จิตมันเผลอไปคิดรู้ทันจิตมันเผลอไปคิดถอยรู้ทันต่อไปพอจิตมันไหลไปคิดปุ๊บมันก็รู้แล้วละ่ะนะต้องซ้อมต้องซ้อมนะซ้อมสวดมนต์ไปพุโทโธพุทโธอย่างเดียวก็ยังได้เลยนะพอจิตแอบไปคิดรู้ทันจิตแอบไปคิดรู้ทันมันจะเผลอสั้นๆไม่เผลอนานนะยจะไม่ให้เผลอเลยไม่ได้หรอกมีอีกไหมเด็กๆ ฉันรับมามาสการเจ้าค่ะหนูชื่อน้องตองอายุสิบปีจากสูนกอโหงเดิมหนูเป็นคนที่เผลอง่ายโกรธง่ายงอนง่ายและไม่ค่อยรู้ทันตัวเองเลยเจ้าค่ะมีหลายครั้งที่เพื่อนมามาชวนหนูไปเรียนรู้ใกจใจแต่หนูไม่เคยไปเรียนรู้ใก้ไใจเลยเพราะหนูเห็นว่าการเรียนรู้ใกไใจเรียนไปแล้วจะได้อะไร แต่พอหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนหนูก็เลยอยากจะเรียนเพื่อที่จะให้มิสัยของหนูที่ไม่ดีเปลี่ยนเป็นดีค่ะมีแต่มีพอหนูได้เรียนรู้ได้ใจหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มมีสติรู้ทันแต่มีบางครั้งที่หนูยังเผลอค่ะหนูสงสัยว่าถ้าหนูเผลอแล้วหนูไม่เคยรู้ทันตัวเองเป็นบ่อยๆหนูจะต้องทำยังไงดีคะ ว่าไงนะถ้าหนมเผลอแล้วไม่ค่อยรู้ทันตัวเองถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆหนู่จะต้องทํำยังไงอ๋อไม่ต้องทําอะไรต่อไปมันจะเผลอสั้นลงมันจะรู้ทันได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะต่อไปพอจิตมันขยับคลิกเดียวก็เห็นล้วไม่เผลอนานคนเราเวลาเผลอนานเนี่ยจะเผลอไปคิดคิดแปอดีตบ้างคิดแปอนาคตบ้างนะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้สิ่งที่ตามหลังความคิดมานะ บางส่วนใหญ่จะเป็นกิเลสกิเลสจะตามหลังความคิดมาแต่บางทีสิ่งที่ตามมาเป็นกุศลก็ได้อย่างเราคิดเรื่องดีๆนะคิดถึงปลาคิดถึงอะไรจิตก็เป็นกุศลได้แต่ถ้าเมื่อไหร่จิตไปคิดไม่ดีนะรีบรู้ไวๆนะอย่างม่คิดว่าเพื่อนคิดจะเล่นงานเพื่อนอนะไรเนี่ยรู้ไวๆนะใจเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดเราไม่ทําร้ายเพื่อนสังเกต น, นะรูปสิทธิอาจารย์โคจนาเนี่ยนะขี้โมโหเยอะ แล้วก็ชอบถามว่าทํายังไงจะเป็นพระราารอรหันต์อ้าวชัยพเนเกิดคับนวัตสการครับก็ผมเด็กชายชัยยพนบุญเดังดังที่เกิดหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงก็ผมเด็กชายชัยพบนบุญเคีย ง, ย ง, ง ช, ยชันง้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนวัสสดศรีดุลพรผมเดิมผมเป็นคนขี้โกกิดมากครับแต่ เวลาแบบนั่งทำอะไรแบบเพลินๆอยังไงครับเวลานั่งทำอะไรแบบเพลินๆยังไงครั บ, ลร แ, บ, บ, รบและเพื่อนมาส ก, กิอย่างไงครับผมจะแบบงุดหงิดมากครับแล้ววยวายแต่พอผมได้มาเข้าค่ายคุณธรรมเรีนรู้กายใจผมก็รู้ครับและความงุดหงิดมันก็เริ่มจางหายไปครับแต่ผมอยากจะถามหลวงพ่อว่า บางครั้งผมเผลอไปแบบไม่รู้ตัวเลยครับผมจะมีวิธียังไงครับทําให้ผมรู้ตัวมากขึ้นครับเรือบ่อยที่หลวงพ่อบอกสมืกีไงนะมันต้องฝึกฝึกให้มันมีเครื่องอยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งจะอยู่กับท่องพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้นะอย่างเราหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปมันจะไม่หลงนานนะพอมันไหลแวบก็รู้สึกขึ้นมาแล้วรู้ตัวได้เร็ว ต้องฝึกอะนะถ้าเราไม่ฝึกนะใจเราชอบหลงไปเราหลงมาแต่ไหนแต่ไรหลงมาตั้งแต่เกิดแล้วงั้นมันเคยชินที่จะหลงจิตเนี้ยมีธรรมชาติที่ไหลไปตามความเคยชินตลอดเวลาเคยชินที่จะหลงมันก็จะหลงนะงั้นต่อไปนี้เราต้องมาฝึกความเคยชินที่จะรู้สึกตัวอย่าให้หลงนานนะหัดพุดโทโธไปหัดหายใจไปจิตแอบไปคิดเรารู้ทันจิตแอบไปคิดแล้รู้ทันฝึ อ, อย่างนี้ไม่นานนะจะรู้ตัวได้เร็วขึ้น ทำไหวไหมอย่างนี้กลาวครทุกคนครับเอาไปทำดูนะแล้วชีวิตจะดีขึ้ น, นสส ก, การวัสกาเจ้าค่ะหนูชื่อน้องโมจิอายุ11ปีเออคนนี้ <มา S 1> เสียงดังฟังชัดดีะมะาจาศูนเกาหงเจ้าค่ะหนูได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อมาแล้วครั้งนึงเจ้าค่ะไปกราบคุณครูแลวพวกพี่ๆ หนูได้รายงานการปฏิบัติให้หลวงพ่อฟังแล้วหลวงพ่อก็ชมว่าเนี่ยเด็กคนนี้เริ่มตื่นแล้วนะอตอนแรกหนูฟังหนูก็ยัง ง, งงงว่าคำว่าตื่นแล้วแปลว่าอะไรจึงไปถามครูคุณครูก็อธิบายความหมายให้ฟังเพราะหนูรู้หนูก็รู้สึกดีใจเจ้าค่ะม่อยู่ช่วงหนึ่งที่หนูหลงไปอยู่กับความสุขที่แม่หนูกลับมาจนลืมฝึกปฏิบัติเรียนรู้กายใจ พอสติหนูมาจิตหนูตื่นหนูก็กลับมาฝึกปฏิบัติอีกครั้งเจ้าค่ะตอนนี้ปัญหาของหนูคือความขี้เกียจเจ้าค่ะอย่างเช่นตอนตื่นนอนมันไม่อยากตื่นมันขี้เกียจถ้าขี้เกียจน้อยรู้ทันได้แต่ถ้าขี้เกียจมากมันรู้ไม่ได้จะทำยังไงให้หายขี้เกียจเจ้าคะโรคนี้นะโรคสาหัสเลยล่ะต้องฝึกนะตอนหลวงพ่อหัดภาวนาเนี่ย ทันทีที่รู้สึกตัวนะหลวงพ่อจะลุกขึ้นมานั่งเลยต้องฝึกตัวองให้เข้มแข็งไว้นะไม่เป็นนอนบิดไปบิดมาบิดไปบิดมานะยิ่งเราตามใจมันเรื่อยๆต่อเป็นยิ่งขี้เกียจมากนะต้องทําใจให้เข้มแข็งนะงั้นพอตื่นปุ๊บลุกปั๊บเลยนะต้องฝึกออาโรคขี้เกียจเป็ยโรคร้ายแรงที่สุดเลยสําหรับนักปฏิบัตินะ กราบมามาสการเจ้ <All right. S 2> าค่ะหลวงพ่อหนูชื่อน้องฝ้าอายุสิบ ป, ปี mm hmm. อยู่ศูนย์กอหงตอนที่หนูยังไม่รู้จักกิเลสหนูก็จะเป็นคนที่ขี้งอนขี้โมโหและอยากได้นู่อย่างได้นี่พอแม่ไม่ให้หนูซื้อหนูจะต่อว่าแม่โดยที่หนูยัง <All right. S 1> ไม่รู้ตัวเลยว่าหนูกําลังทําบาปอยู่ mm hmm. และหนูก็กลัวตกลงลบได้เจ้าค่ะจะทํา อย่างไรดีเจ้าคะที่จะให้สติของหนูแข็งแรงกว่านี้เจ้าค่ะเอาสตินะต้องฝึกอะถึงจะถึงจะเกิดได้ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่เกิดหนูหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆไว้นะยิ่งเรารู้ทันความรู้สึกบ่อยๆนะต่อไปสติจะยิ่งเกิดเร็วแต่ถ้าเรานานๆมาหัดรู้ทีหนึ่งสตีมก็ไม่เกิดออกหนูคอยรู้ความรู้สึกของตั ว, เ อ, วอ เ, เองความรู้สึกของเราเนี่ยเกิดทั้งวันดูออกไหม เรามีความรู้สึกตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ <ๆ S 2> เดี๋ยวก็เฉยๆเดี๋ยวก็ดี <ๆ S 2> เดี๋ยวก็ร้ายรู้สึกไหมนะหนูคอยดูบ่อยๆแรัศมีมันจะเกิดขึ้นมานะถ้านานๆดูทีสติก็ไม่เกิดหรอกกลาวขอบพระคุณจ้าค่ะอ๋อา้อาวอ้าวมาริษาเชิญกล่าวนามสการหลวงพ่อค่ะดิฉันนางสาวมาริสาเชิญเนียมโรงเรียนพระบางวิทยาก่ อ, อนที่จะได้เข้า ค่ายเรียนรู้กายใจ ด, ดิฉันรู้สึกว่าควบคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วก็ควบคุมสมาธิตัวเองไม่ค่อยได้ค่ะพอได้เข้าเรียนรู้กายใจแล้วก็สามารถควบคุมสติสมาธิได้มากขึ้นดิฉันขอถามหลวงพ่อว่าการที่เราจะสามารถเชิญชวนคนที่เขาไม่เคยแล้วก็ไม่อยากไม่คิดที่จะเข้าค่ายเรียนรู้กใจหรือเข้าค่ายต่างๆเกี่ยวกับธรรมะ เราจะสามารถทําให้เขามาเข้าค่ายกายใจอย่างเราได้ยังไงคะได้นะเราต้องทําความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เขาเห็นถ้าเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เขาเห็นได้เนะี่ยเขาถึงจะสนใจอย่างคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อที่ศรีราชาเนี่ยส่วนใหญ่ไปเป็นครอบครัวที่แรกมาคนเดียวก่อนนะมาหัดเจริญสติรู้กายใจตัวเองพฤติกรรมเปลี่ยน อย่างผู้หญิงบางคนปากมากขี้บน่นะมาหัดดูจิตดูใจตัวเองเนี่ยเรียบร้อยขึ้นนะสามีสงสัยว่าไปกินอะไรมานะสงสัยกับข้าวัดอร่อยละมัง้งนะตามมาเรียนนะเข้ามาเองการที่เราจะไปชวนคนอื่นเข้ามาภาวนาแล้วโดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นให้เขาเห็นนะเขาไม่เชื่อหรอกโดยเฉพาะพ่อแม่นะผู้ใหญ่จะเป็นคนที่ชวนยากที่สุดเลยเราต้องเปลี่ยนตัวเองใหเขาเห็นได้ได นะแล้วก็ถึงจะอยากมาเองไปโฆษณาเฉยๆเขาไม่เชื่อหรอกนะแล้วหนูเราเปลี่ยนอะไรได้บ้างก็อย่างแบบว่าอย่างหนูก็คือว่าสามารถควบคุมสติตัวเองก็คือว่ามันก็จะเปลี่ยนได้หลายๆอย่าง อ, อย่างเราจะคิดอะไรแบบว่ายัางจะโกรธเพื่อนเราก็ควบคุมได้ว่าเราไม่โกรธอะไรเงี้ยค่ะดีมีมีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นนะเดี๋ยวเขาเข้ามาเองแหละ ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อนะทุกวันเนี้คนมาเรียนกับหลวงพ่อเป็นแสนนะแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ชวนมาเขามาเองเริ่มต้นเนี่ยเราภอวนานเขาเราอยู่ลําพังแหละคนรอบๆตัวคนในที่ทํางานนะเขาเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงเขาสนใจเขามาถามนะเสร็จ แ, แล้วพอเขาเปลี่ยนบ้างเนี่ยในบ้านเขาก็มาถามนะไปๆม า, มาๆกระจายออกไปเต็มบ้านเต็มเมืองตอเนี้งั้นเราเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะ ยังไม่ต้องไปคิดเลือกเปลี่ยนคนอื่นหรอกนะเปลี่ยนตัวเราให้ได้ก่อนเราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีนะบอกฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้อื่นนะฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้อื่นเราเปลี่ยนแปลงในทางดีเขามองเห็นนะเขาก็อยากเปลี่ยนบ้างนะอ้าวสุ ร, รเดชขอการาบนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะกระผมชรรื่อเด็กชายสุรเดชดาวเรือง ศึกษายอยู่ที่โรงเรียนบ้านคอม่วงนะครับผมก็ขอมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการเข้าค่ายเรียนรู้กายใจนะครับตอนแรกนะครับก่อนที่จะไปเข้าค่ายผมนะับเป็นคนที่ขี้เกียจเป็นคนโมโหง่ายอารมณ์ร้อนนะคะพอได้ไปเข้าค่ายผมก็รู้ว่าถ้าใจเราโกรธใจเราเผือไปโกรธแล้วก็รู้ทันนะครับหลังจากกลับมา จากการเข้าค่ายนะคะผมก็นํามาปฏิบัติเช่นแต่ก่อนผมเป็นคนขี้เกียจพอเดี๋ยวนี้ผมรู้ทันความขี้เกียจเราก็จะไม่ขี้เกียจนะคะและแต่ก่อนเพื่อนจะทําอะไรให้เราโกรธเราก็จะหันไปทําร้ายเพื่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้เราจะพอเพื่อนทําอะไรให้เราโกรธเราก็จะเก็บไว้เราก็จะไม่ทําร้ายเขาเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ เวลาโมโหนะคะก็จะเก็บไว้แล้วก็จะไม่ทำร้ายเพื่อนนะคบถ้าผมก็ขอถามพระอาจารย์นะคะถ้าเราโกรธนะคบแลวเรารู้ทันเราควรจะทำอย่างไรกับอาการที่เรารู้สึกครับคือการที่เราไม่ทำร้ายเพื่อนนะเรียกว่าเรามีศีลตัว น, นี้ดีนะแต่ว่าความโกรธเนี่ยมันซ่อนอยู่ในใจถ้าเราจัดการไม่เป็นเราจะเก็บกด ถือศีลแต่เก็บกรธได้นะดงั้นเราต้องรู้จักวิธีที่จะจัดการกับความโกรธในใจเรารู้ทันลงไปเลยความโกรธไม่ใช่จิตของเราเหรอกตัวนี้ดูออกไหมความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาแล้วจิตเราไปรู้เข้านะเราดูอย่างนี้นะเราจะเห็นเลยมันไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้ความโกรธพอเราเห็นอย่างนี้ความโกรธมันจะเดินออกไปเองนะมันจะไม่มาเก็บกดอยู่ในใจเรา ไม่ใช่ว่าพอโกรธขึ้นมาแล้วคิดว่าทํายังไงจะไม่โกรธทํางไงจะไม่โกรธแล้วบังคับตัวเองอย่างนั้นจะเก็บกดให้แค่รู้นะเห็นความโกรธก็อยู่ส่วนความโกรธจิตก็อยู่ส่วนจิตพอเห็นได้แล้วมันจะต่างคนต่างไปอา้าวต่อไปอชื่ออะไรราริราริพัดน์กัดน้ำมสาสก้าหลวงพ่อค่ะหนูชื่อเด็กิงาราิพัด อูชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนวัดหนองคเน่งค่ะหนูเพิ่งมาส่งกานบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักคาว่าการเรียนรู้ไกลใจค่ะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สาคัญค่ะแต่ตอนที่ได้ไปเข้าค่ายการเรียนรู้ไกลใจได้ฟังซีดีหลวงพอ่อแล้วก็ได้ฟัง คำสอนของคุณครูก็รู้สึกว่าการเรียนรู้กายใจมีค่าต่อตอนเองค่ะเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนโกรธง่ายโมโหง่ายเพราะว่าเพื่อนจะมาจะมายั่วอารมณ์แต่ตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่ายิ้มแย้มแจมใสล่าเริงมากขึ้นค่ะจนเพื่อนๆบอกบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะ แล้วห น, หนูก็จะถามหลวงพ่อว่าถ้าเราปฏิบัติการเรียนรู้กายใจไปเรื่อยๆจะเกิดผลดีต่อตัวเราไปตลอดใช่ไหมคะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะผลดีก็จะมากขึ้นมากขึ้นความทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลงนะการจะอยู่กับโลกก็จะอยู่ได้อย่างฉลาดมากขึ้นคนในโลกนี้น่าสงสารมากเลยคืออยู่แบบเป็นทาสนะถูกหลอกอยากได้โน่นอยากได้นี่นะหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ แล้วก็เครียดพอเครียดก็ระบายใส่คนรอบๆตัวทะเลาะเบาแว้งกันอะไรเงี้ยถ้าเราฝึกต่อไปเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะเราอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขคนที่อยู่แวดล้อมเราเขาก็มีความสุขยิ่งฝึกมากเข้ามากเข้าเนี่ยเราจะพบเลยว่าในโลกนี้นะการได้ศึกษาตัวเองการได้เรียนรู้กายใจนี่มีค่าที่สุดเลยทําให้เราทุกน้อยลงน้อยลงนะถ้าเราฝึกได้เต็มที่เนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งว่า ถึงแม้ร่างกายเราจะมีความทุกข์อยู่แต่ใจเราจะไม่ทุกข์อีกแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะขอขอพระคุณหลวงพ่อคะ่ะอ่ะส่งไปใครละ่ะเอ้าหลังหลังหลังนี้ยกมานานละกราบบําบัดกายครับหลวงพอ่อผมชื่อเดชชัยบริวารทุ่งหอมอยู่โรงเรียนบ้านคอม่วงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ก็จะมาเล่าแบบแบบก่อนที่จะเข้าค่ายการเรียนรู้กายใจพฤติกรรมที่ทนี่ในครูครูนี่บอกว่าแย่มากครับถ้าชอบซําตัวเด่นขี้เกียจครับแต่วันวันไปเรียนชั่วโมงของครูคนนึงครับยกยกไม้สูงๆหนึ่งนะวันที่ไปเรียนชั่วโมงของครู ค, คนหนึ่งครับเหมือนครูเขามองครับแบบว่าจะกะจะเอาตัวผมเนี่ย ไปเรียนเข้าเรียนรู้กายใจแล้วแล้วครูเขาก็ได้ส่งตัวผมไปเรียนรู้กายใจฮพบกับมาจากการเรียนรู้กายใจตาแรกเลยแค้นครับแค้นอยากจะทำดีแบบว่าแบบว่าไม่ไม่อยากแล้วทาตัวเด่นอยากจะเล่งเกงไม่ขี้เกียจตาแรกแค้นครับแล้วพอมาแบบนานทีนานหน่อยกับอีคราวนี้เริ่มเป็นหน่อยแลวเริ่มเผลอไป น, นิด แล้วอีคราวนี้มันก็มาชินครับชินจนครูมองว่าดีขึ้นเยอะเลยครับอืมดีสิแล้วบางทีตอนเนี้ยครับผมผมมกมีความสุขขึ้นครับความสุขขึ้นเยอะแต่ความทุกข์ลดลงผมก็ถามหลวงพ่อว่าถ้าทํำยังไงให้ความทุกข์ตัวเนี้ยคงตัวอยู่ตรงนี้ครับให้อะไรนะความสุขเหรอครับความทุกข์ครับความทุกข์ทำไมนะให้ความทุกข์ตัวเนี้ยคงตัวอยู่น้อยลงเหมือนเดิมตลอดอะ ความทุกขอะไรความสุขแบบความสุขดีขึ้นไงครับโหมากมีความสุขแต่ความทุกข์ก็ลดลงก็ดีแล้วนี่ครับนั่นนะครับแต่อยากให้ความทุกข์ตัวเนี้ยมันลดลงอยู่ตลอดนะครับอพอก็จ้องเจริญสติเรียนรู้กายใจใบ่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆแหละครัถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยกิเลสมันเข้ามาไม่ได้ครัจิตใจที่มีความทุกขนะเพราะกิเลสมันเข้ามาครับนะถ้าเรารู้สึกตัวบ่อยๆนะ ปรับทุกไม่มาหรอค่ะครูเจ้าขครั บ, ร บ, รบเสือบ่อยไหมยอย่าเสลอนานนะครับรู้สึกห้าวขวดครับธรรมศาสตร์หลวงพ่อครับผมชื่อเดชชายนพลเลือนไทยอยู่ชั้นประมศึกษาปีทียกโรงเรียนบ้านขนางพระเมื่อก่อนนั้นผมเป็นคนที่เกียดมากพ่อแม่ใช้อะไรผมผมก็ไม่ไปครับตอนผมอยู่โรงเรียนผมโกหเพื่อน จนผมไปทำร้ายทุกปีเพื่อนครับแต่เมื่อผมมาเข้าค่ายเรียนรู้ใกล้ใจครับความขี้เกียจของผมมันก็หายไปครับพ่อแม่ใช้อะไรผมผมก็ไปครับพออยู่โรงเรียนผมโกรธเพื่อนผมก็รู้ทางความโกรธแล้วความโกรธมันก็หายไปครับแล้วผมก็เดินหนีเพื่อนไปครับหว่าอะไรนะถามอะไรหลวงพ่อนะแไม่ได้ถาม ไม่ได้ถามเออเล่าให้หลวงพ่อฟังเนาะครับเออดีกี่โมงแล้วฮะสิเอ็แล้วเหรออ๋องั้นได้แค่นี้แหละนะเด็กๆนะมีหน้าละข้างหลังเด็กเริ่มไปหาข้าวกินแล้ว <c oughs> งั้นวันนี้หมดเวลานะได้แค่นี้แหละหลวงพ่อนุโมทนานะกับทีมงาน อาจารย์พจน์นาผู้หลักผู้ใหญ่ทางนี้หลายท่านการที่ครูบาอาจารย์เอาธรรมะมาให้เด็กนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลยเราให้ความรู้กับเด็กนะเราให้มานานแล้วแต่เราละเลยที่จะพัฒนาจิตใจเขาเราพัฒนาแต่ความรู้นะองค์ความรู้ที่ดีเนะี่ยไปอยู่ในจิตใจที่ไม่ดีนะ ความรู้นั้นจะถูกใช้เป็นในทางเบียดเบียนล้างฝันคนอื่นได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์เอาธรรมะมาสู่ใจเด็กนะแล้วช่างคิดนะใช้คำว่าเรียนรู้กายใจฟนะังแล้วง่ายดีนะมันเป็นการให้สิ่งที่มีค่าที่สุดกับเด็กนะเราหวังว่าเด็กมันจะมีความสุขนะแต่ถ้าเด็กไม่มีธรรมะนะหึอยังไงก็ไม่มีความสุข ใจมันก็มีแต่เรื่องเบียดเบียนล้างผลาญกันไปเรื่อยๆนั้นหลวงพ่อขออนุโมทนานะกับทุกๆท่านเลยนะรวมทั้งคนที่มาช่วยด้วยนะอย่างอาจารย์ซุกเกอะไรนี่นะมาช่วยทางนี้เยอะเลยเท่านี้นะท่านเองก็ขอกลาบขอบพระคุณนะครับที่หลวงพ่อท่านได้เมตตาแสดงธรรมให้กับพวกเราทุกท่านในช่วงต่อไปนี้เราจะได้ ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมนะครับที่ทุกท่านในร่วมทาบุญกับหลวงพอ่อในในตู้ข้างหน้านะครับเราจะมาถวายด้วยกันผมขอเป็นตัวแทนกล่าวเลยนะครับก่อนที่จะจบในช่วงนี้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ แด่หลวงพ่อปลาโมดปลาโมดโชว์ขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์แใ่ความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการและนานเทิน ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวายโตดินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปนารโสยถามณีโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายยโกภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจัตตาโรโธรมาวทันเตียยุวันโนสุขังพระลังสาธุอา ล, ลากราบหลวงพ่อพร้อมกันอีกครั้งนะครับอ า, ารังสัมมาสัมพุทธะพระขวาพุทธังพระเขวันตังอัเทิ อาโตภาวตาธรรมโมธรรมนามาซาปันโนภาขวโตสาวกระสรงโคสรังทังนามาหลวงพ่อไปก่อนนะปัจจัย ข้าวของอะไรนะหลวงพว่อหอมมอบให้อาจารย์พจนานะเอาไว้ใช้ทำงานสอนเด็กๆต่อไป